คนเรื่อมใช้ตามความเห็นของตนไม่ได้บังคับหน้านาศาสนาสักคนศาสนาก็ว่าทีนี้เราจะเห็นด้วยปัญญาอันชัดหรือไม่ว่าความเห็นคำสอนชนิดไหนสามารถถึงโลกีและโลกุตระได้ชสามารถอยู่ในขั้นโลกีหรือสามารถอยู่ในขั้นโลกุตระ ก็ทําทอ่านว่าทำธรรมที่เป็นโลกุตระคือทําอะไรบ้างสีลอ่านว่าศีลสมาธิอ่านว่าสมาธิรัติอ่านว่ารัติรัทติเป็นคํากลางศีลสมาธิปัญญาก็เป็นคํากลางแต่อยากทราบว่าศีลสมาธิปัญญาชนิดไหนเป็นโลกุตระศีลเป็นโลกุตระสมาธิเป็นโรลคุตระปัญญาเป็นโลกุตระจิต จึงเอาเป็นประมาณได้อวามเหนต่างๆคงจะแบ่งออกเป็นสองที่เรียกว่าแม้สมาธิติก็คงจะแบ่งออกเป็นสองสมาธิติชนิดไหนที่ยืนยันได้สมาธิติชนิดไหนที่เป็นโลกีตอบเพียงสองข้อเดียพอแล้วตอบแค่ใดข้อหนึ่งก็พอแล้ว นักทำเองตอบเพราะผมไม่ได้ผูกปัญหาขึ้นให้น้องผู้ตอบอย่างนั้นหรือสมาธิของพระพุทธศาสนาแท้ คือเห็นชอบเห็นอริยสัจสี่อริยสัจสี่คือของจริงสี่ประการเห็นทุกข์ตามเป็นจริงของทุกเห็นสมุทยัยตามเป็นจริงของเสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกเกิดเห็นมรรคตามเป็นจริงของมรรคคือสีนสมาธิปัญญา เหนนี่เราตามไปจริงของความดับจันหาเป็นธรรมละเอียดเรียกว่าโรกุตรักัมมาทิติทำกวนนั่นลงมาอย่าเออกมาเอ่ยเลยที่นี่ำทำดีได้ไดีทำชั่วได้ชั่วดีชนิดไหนที่บาลหน้า ด, ดีชนิดไหนที่เป็นโลกีดีชนิดไหนที่บานหน้าไปสู่อรหั t ต a m อรหตผลดีในสุปจรปโนอุชุโยยักสามีอุชโยยักษ์ใช่ไหมดีในสุภจรปโนคือดียังไงคือไม่เสียดายล่วงละเมิดพระพุทธศาสนา ไม่สงสัยพระพุทธศาสนาไม่มีทิฏฐิมาณต์ต่อพระพุทธศาสนาไม่มีสักกายทิฏฐิข่มพระพุทธศาสนามาเรียกว่าตนพระพุทธศาสนาแท้ไม่ได้อยู่กับบุคคลอยู่กับธรรมธรรมมันว่าธรรมต้งไห้ซึ่งโรกีก็ไม่มีใครจะล็อกเดือนได้ ชงไม้ซึ่งโลภุตระก็ไม่มีใครจะรบเรือนได้ชงไม้ซึ่งทํามันไม่เกิดไม่หับก็ไม่มีใครจะรบเรือนได้เป็นจริงอยู่อย่างนั้นเลยใจปฏิบัติธรรมหรือธรรมปฏิบัติใจก็ใจต้องน้อมเข้าปฏิบัติธรรมไม่เป็นหน้าที่ของธรรมจะมางอ ง, งอนปฏิบัติใจถ้าใจไม่มีธรรมมีอยู่ไหมก็ธรรมก็มีอยู่ทรงอยู่ ำฝำไฟเกิดไปดับก็เกิดก็ดับหาระหว่างไม่ได้ทำไฟไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับหาระหว่างไม่ได้คำว่าอนัตตาธรรมในทางพุทธศาสนาะลึกซึ้งมากไม่เป็นหน้าที่ของบุคคลผู้มีสมาธิล้นล้วนจับมาคบให้แตกเมื่อพระพุทธศาสนาะคบแตกแล้วการปฏิบัติพระพุทธศาสนาะ ก็ไม่ลำบากพระไม่มีดังเรลยสงสัยในพระพุทธศาสนาวิจิตรคิดฉายไม่สงสัยพระพุทธศาสนาไม่รูกคร่มพระพุทธศาสนาด้วยสีรปพัตตปรมารถ้ถาไมมีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลก แทรกแซงอยู่ในโลกศาสนาอื่นๆก็ไม่มีขึ้นได้ก่อนที่จะมีศาสนาอื่นๆหรือละที่อื่นๆมาแทรกแซงอยู่ก็เพราะมีพระพุทธศาสนาเป็นนักมวยเอกอยู่ในโลกเห็นนั้นนักมวยโทนักมวยตรีจึงแสวงอยากจะลองดูอ้า ในใจโลกธาตุทำลายพุทธศาสนาได้ไหมทำลายจนมไม่ให้มีธรรมะแล้วอยู่แต่ทำลายบุคคลให้ควยเขลอไปนะทำลายได้บุคคลพูดถึงสุภิณโนแล้วมีผู้หลอกไปเชื่อศาตร า, าอื่นไปได้ไหมกะ พูที่เป็นแมลงพูดแล้วแมลงวันฉลอกให้กินหมดพูดได้ได้ด้วยไหม <c oughs> บอกว่าไม่ได้ชั้นใดก็ดีเมื่อสุพกิไพ้นโหนีน้อยก็เป็นธรรมเนียมที่เขยไปเปยมาแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังดีกว่าไม่รอยน้ำก็ <c oughs> <c oughs> มีเข็มทิพย์ เดินทางไม่มีเข็มทิศหลงทิศ ต, ตายขึ้นเครื่องบินก็เหมือนกันไม่มีเข็มทิศก็หลงทิศ ต, ตายข้ามทะเลก็เหมือนกันถ้าไม่มีเข็มทิศก็หลงทิศ ต, ตายท่านใดพอดีดพอถึงสุภิญญาพโนแล้วก็ได้เข็มทิศแล้วเขาไม่หลงทางไปพันธุ์ผานถูกไหม ก็ปฏิปนโนไม่เสียดายลวงระมดอถวายวมุใช่ไหมเพราะได้วงตาเห็นทำแล้วไม่เสียดายอยากกะถืออยู่ยงคงกระพันใช่ไหมไม่เสียดายอยากกะถือเลือกดีอยา่างดีใช่ไหมไม่เสียดายอยากก็ถือวันอกกาบาทวันโกโรกาเวนา่าใช่ไหม วันอุ ก, กาบาตวันโลกาเวนาถ้าว่ามันเป็นจริงพอถึงวันอุ ก, กาบาตโลกาเวนาพวกเศรษฐีก็ต้องไปขอทานถูกไหมถึงวันเป็นมงคลจิงย่ายตําแหน่งมาเป็นเศรษฐีใช่ไหมที่ถือวันอุ ก, กาบาตวันโลกาเวนานี่มีเหตุผลหรือไม่เป็นหน้าที่ของเราจะขบให้เก็ สวัสดีปีใหม่กรอนพาไปเป็นการให้กรออนการให้มีเมตตาบุยพรเดี๋ยวปีใหม่หรือปีเก่าก็ควรจะพิจารณาอีกก็ปีที่ล่วงเลยมาเป็นรยนรอบๆนั่นเองถ้าหากว่าสวัสดีปีใหม่อยับไฟการ้อนทำไม น, นั่นพูดกันเพื่อไวยใช้ให้พรกันฉันไม่คิดเมตาเป็นคำโบราณอาจารย์ของพระพุทธศาสนาที่ให้พรกันเพื่อปฏิจจียนไทยเพื่อเป็นเครื่องอบอุ่นใจต่างหากเราจะไปถือเพียงแค่นั้นมันก็ไม่ถูกถูกไหมเราจะไม่ให้พรกันเลยมันก็ไม่ถูกให้มันตายซะให้มันชิพหายซะอย่างนี้มันก็ไม่ถูกใช่ บางท่านเขาเรียตกวิจารว่าพระพุทธศาสนาเสื่อมแล้วถ้าเราไม่ทําให้เสื่อมมันก็ไม่เสือเส่อมเสื่อมมันก็เสื่อมออกจากคนอื่นถ้าเราไม่ทําให้เสื่อมมันก็ไม่เสื่อมออกจากเราเวลาเนี่ยร่อนจัดคนทั้งหลายไปต่างแดดอยู่เราก็ไม่ต้องต่ากแดดมีล่กันตองกลาง หรืออย่างนั้นก็เข้าหารบไม่มีคนหาว่าบาปบุญคุณโทษไม่มีพระพุทธศาสนาเสื่อมแล้วถ้าเขาพาเราเป็นอย่างนี้เราจะเป็นไรไหมไม่มีาาศาสนะดอกเพื่อนเอ๋ยพระพุทธศาสนาเสื่อมหมดแล้ว ดูตัวอย่างพวกนันทำอย่างนั้นพวกนี้ทำอย่างนี้พวกนี้ทาอย่างนี้ไม่มีใครกินข้าวหรอกท่านเอ๋ยท่านก็อยากกินอย่างนี้เราจะไปเอาตามเขาไหมเราก็ไม่เอาพระบรมศาสดายืนยันว่าพระธรรมไม่ไอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทำได้ทําไม่อยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทำได้ เหตุนั้นเราจรึงเคารพทำไม่สําคัญตัวอยู่เนี้ทําเลยถ้าดินไม่มีอยู่ก่อนเราก็บัญหยติดินไม่ได้ถ้ามนุษย์ไม่มีอยู่ก่อนเราก็บัญญัติมนุษย์ไม่ได้เหตุ <n> ฉะนั้นเราจรึงเลือกมนุษย์ออกเป็นบุคคลบุคคลทุกครอุปรรพติเลือกบุคคลออกเพระสวัดิวาันบ้างสัปดาห์กลางวีบ้านาคาวีบ้างพระราหารบ้าง โลกีว่าโลภุสระมาาถ้าเราคบแกร่รบพุทธศาสนาการปฏิบัติก็ไม่ลำบากถ้าเราคบม่แต่ก็ลำบากมากคำสอนพุทธศาสนาสอนพรรัสมบัติเต็มภูมิสอนสวรรค์สมบัติเต็มภูมิสอนพรมสมบัติเต็มภูมิแล้วถ้าเราไปฝืนก็ชิบหายตามส่วน ควรค่าของเหตุอบายามุกทุกประเภทถ้าใครไปล่วงแล้วก็เป็นมนุษย์วิบัติเต็มภูมิก็เป็นสวรรค์วิบัติเต็มภูมิก็เป็นปรุมวิบัติเต็มภูมิก็เป็นนิพพานวิบัติเต็มภูมิไปด้วยกันถ้าเวอบายามุกทุกประเภทก็เป็ น, นวัด นิยมไปในตัวแลวก็เป็นอุดมคติไปในตัวด้วยเป็นวัตถุนิยมไปในตัวด้วยดึงกันไปบวกกันไปถ้าเป็นอย่างนั้นเรากระตรงกันข้ามผู้ส่งเสริมอบ า, ายามุข ก, ก็คือส่งเสริมให้คนเปลี่ยนเปลี่ยนเกลียวในพระพุทธศาสนาออกจากหัวใจของตนใช่หรือไม่ ผู้เคารพความดีปฏิบัติความดีก็คือผู้เห็นธรรมใช่หรือไม่ก็คือเอาความดีเป็นสรณังคตามิผู้ใจถึงในทางชั่วก็เรียกว่าเอาความชั่วเป็นสรณะังคตฉามิใช่ไหม ดีช่วนในที่นี้หมายถึงสุพิธปโนท่านั้นสุพิธปโนเป็นพรหมจรรันทร์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาเป็นบัณฑิตโตคณมาวะสังเป็นบัณฑิตผู้ครองเรือนเป็นบัณฑิตผู้เป็นหัวหน้าทางพิถุสัมเดนอีกด้วยหรือทางเจ้านายอีกด้วยหรือทางพุทธบาศัทต์อีกด้วย คนไม้คนหมูคนพักคนพวกของชาวโลกตั้งขึ้นในมองดูพระพุทธศาสนามันก็อดละมานู่ใช่ไหมถ้าชาวโลกมีเ้นธาบริโภคกฎหมายก็ไม่ต้องตั้งมากใครจะไม่คดีดาคดีแ ด, ด, ดใงในโรงในศาลก็ไม่มีสูตรวนก็ไม่มีทหารก็ไม่ต้อง ก็ไว่ดก็ไม่ต้องเียใช่ไหมนอนก็ไม่สะดุดหวเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างตั้งกฎหมายเพียงลดประมาณและภาษีอ่อนก็พอแล้วเรือนจาไม่ต้องตําตั้งมากใช่ไหมเรือรบ ก, ก็ไม่ต้องซื้อมันแพงเหลือเกินปืนก็ไม่ต้องซื้อซักกระบอกเลยมีแต่เครื่องก่อสร้างพอแล้วใช่ไหม นงกประมาณในทหารตำรวจก็ไม่ต้องมีใช่ไหมนี่แหละคำสอนของพุทธศาสน า, ศาเพียงสินะเจ้า น, นั้นชนะโรกแล้วชนะกฎหมายใดๆทั้งปวงในโรกแล้วเถูกไหมงองหน้ากันก็มีแต่ทำสังเวชเมตตาใช่ไหมไม่ต้องได้เฉลงตากันใช่ไหมงองเป็นทำสังเวชใช่ไหม มองเป็นมิตรเป็นสหายใช่ไหมไม่ใช่มองเป็นศัตรูใช่ไหมเท่านั้นพอเลยถูกไหมเนเนั้นพระบรมศาสนาจึงยืนยันว่าสัตยาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยพระพุทธเจ้าจะมากี่ล้านล้านพระองค์ก็มาสอนอันเดียวคันยุคใดก็ต า, ามสาธนานะใดก็ต า, ามกักสคนโดโกโนคโคว่ดตามที่ปังโคลุตินโรกโพอตามพระพุทธเจ้าล่วงไปแล้วมากกว่าร้อยกู ท no, ีป so so ังคารโอตินธโอโกนธันโดจนโภาโมโขมังคโอปุิซาสโขสุมโรสุโมทีโรเรวัโถเรติวัโงสซอพโตภริสัมปันุอนุมัสสีฉนุตโมวัตุโมโระบัตโตนานัโตรัสารัสสปุตตมุตตาโรสัตตาสารโสดมโถอบัติปุครโสดจัตโตสุโกรกโคภิยะติาระโขอัตถัสัตสีกาลิโข ธรมทัศจิตธมโอนุโธสิทธะท้ธรโโลกเกติสาวะระตังโคุท้อสาวะรโวิปัสสิฌานุโธสิชีสัยโธสัทธาเมตโภตขคาถาโยโกกุสัโธจตวาโโกนาคโรันโธกสปสสัมปโนโคตโมอสตกยปุงโเอเตยัญเยจัสมุตาอเนกาสัโขตโยพระพุทธเจ้ามากกว่าร้อยกูที่บอไปแล้วที่จะมาในครั้งหน้าที่ มีอยู่ในปัจจุบันก็เป็นคําสอนตรงกันเลยไม่ได้ลบล่าคอร์กันเลยนะแม่กลับที่ร่วงไปก็อาสงไขอ่อาสงไข่กลับจะมาในข้างหน้าก็อาสงไขอ่อาสงไข่กลับคําว่าอาสงไขเข้ามา ก, กว่าดโกดไปอีกกอสอนอันเดียวกันก็ได้ผลอันเดียวกันสร้างบารมีก็สร้างแบบเดียวกัน ผิดกันแต่ปัญญาที่กะศรัทธาที่กะวิิยาที่กะเท่านั้นน่ไมนได้รับรล่าพราบกันเลยไม่ได้เพิ่มใหม่อีกด้วยนะคำสวนตรงกันคือให้ละชั่วทำดีให้ละโลบละโกรละหลงให้เห็นโทษในโรบในโกรในหลงอันเดียวกันเหตุ น, นั้นจึงยืนยันพระพุทธศาสนา ความยืนยันไม่เป็นอุปท า, านหรือไม่เป็นอุปท า, านสิ่งที่ดีก็ต้องให้คะแนนว่าดีสิ่งที่ดีไม่ให้คะแนนว่าดี่ก็เรียกว่าชันทากติลาเอียงเพราะความรักใครกันเรียกชันทาคติร่างเกียรไม่ให้คะแนนพระพุทธศาสนาร่างเกียรพระพุทธศาสนาลำเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทาสากติ ร่างเขียดพระพุทธศาสตนาถึงจะดีสักเพียงไหนก็มาให้คะแนนรำเอียงพ่อกลัวเรียกพยาคติกลัวอิทธิพลท่านผู้อื่นจะทําผิดสักเพียงไหนก็าตามก็ไม่ว่าไม่กล่าวเพราะกลัวอิทธิพลลำเอียงพราเขาเรียโกโมหะคติคือขบพระพุทธศาสนาไม่แต่ก็เป็นโมหะคติไม่ได้พูดเข้าข้างตัวเนอะ นี้ผู้ใดอยู่ระดับใดก็ยืนยันระดับนั้นมแมลงวันมันก็ยืนยันระดับของมันว่าของทิพเรามแมลงผู้มแมลงพึ่งมันก็ยืนยันว่าเป็นของทิพเราเอีกเหมือนกันปลาลดปลาไหลมันก็ยืนยันว่าของทิพเราเหมือนกันแมลงวี่แมลงเม้ า, ามก็องเหมือนกันนั่น ทำไมจึงมีผู้มีผู้ถือผู้ศาสนาน่อยนักเพราะบารมียังอ่อนใช่ไหมทําไมจึงมีผู้เรียนปฏิญญามีน้อยแท้ก็เพราะบารมียังอ่อนยังเรียนไม่ถึงใช่ไหมนั่นพระพุทธศาสนาสอนให้เห็นเองสอนให้เรื่องใส้เอง ถ้าเอาเครื่องจ้างไปพอหมดเงินมันก็ขาดหมดคืนใช่ไหม <c oughs> ให้เป็นสันทิษที่โกเห็นเองลูกคนผู้จะเห็นเองคำว่าเห็นเองก็ต้องมีขอบเขตอีกพระโสดา บ, บันเห็นเองมีขอบเขตพระจักณาคาามีเห็นเองก็ละเอียดไปกว่านั้นพระนาคาามีเห็นเองก็ละเอียดไปกว่านั้นพระอรหันต์เห็นเอง คือพ้นไปแล้วจากกิเลสเห็นเองแล้วไม่มีรอดไม่มีโกรธไม่มีหลงอันนั้นยอดมหาเห็นเองยอดสันทิษที่โกเรียนสันทิษที่โกจบแล้วเรียนปัจจตังจบแล้วเอ้าผู้รู้พระโสดาบันผู้รู้พระสรัะสกท า, าคาามีผู้รู้พระอนาคามีผู้รู้พระอรหันต์ผู้รู้พระปฏิจิผู้รู้พระสมมาเจ้าพุทธเจ้าในปัจจุบันของใครของมันต่างก็อ้างปัจจุบันของใครของมันพระพุทธเจ้าก็อ้างปัจจุบัน พระสักคาพระพระเจ้ก็อ้างปัจจุบันพระอนาคามีก็อ้างปัจจุบันพระอรหันต์ก็อ้างปัจจุบันพระสะกักทาามีอนาคามีก็อ้างปัจจุบันพระสวัสดิวันก็อ้างปัจจุบันก็ปัจจุบันทั้งหลายที่เป็นโลกุตระก็ยิ่งเยอะกว่ากันตามลําดับเพราะมีปัญญาสมยุทธต่างกันพวกโลกีเขาก็อ้างปัจจุบันอันนี้ยิ่งฟันเสือมากปัจจุบันเยวนี้ฆ่าไม่เริ่อยอาัยพุทธศาสนาะเขาก็รู้จัก ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ข้ากำลังหาเลียกอยู่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวไหนน้รู้ไหมปัจจุบันมียิ่งยอ w กว่ากันเอฮิปชจโกเร่องนีอยากใครมาดูได้ท่านทั้งหลายจงมาดูเถิดการเล่นการพนันเป็นทางเสียหาย พวกผู้ที่เขาร้องเรียกมาในทางนอกพระพุทธศาสน์ท่านจะมาในว่าเถิดเดี๋ยวนี้ออกหลายครั้งแล้วจะรวยมันก็รอยมันก็รอยมันก็รอยกิเลสมันไม่รวยสะรอยทางชี้ฝายใช่ไหม ปัญญาไม่ไว้ทําไมพระบรมศาสนาราถามพระสาญีุถามพระพระราหุนราหุนราหุนลูกเอ๋ยปัญญามีไว้ทําไมมีไห ว, ไไวสาหรับอกระจกเงามีไว้ทําไมราหุนเอย๋ยมีไหวสาหรับส่องดูเงาหน้าพระเจ้าค่ะปัญญาก็เหมือนกันมีไว้สําหรับพิจารณาเหตุผล ปัญญายักปฏิสุทธิ์จิตบุคคลจะปฏิสุทธิ์ในชั้นสวดารวันสัพทาคามีอน า, าคามีอาหารหันต์ก็เพราะปัญญาเป็นนายหน้าปัญญาเป็นในายหน้าของธรรมทุกหมวดคนาไม่มีปัญญาก็ไม่มีศรัทธาศรัทธาที่เกี่ยวกับปัญญาเป็นอาจารยศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อศรัทธาคําว่าศรัทธาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ สิงที่ควรเชื่อใครจะเป็นพยานให้ว่าเจ้าของเองเป็นพยานเช่นเราเคี้ยวเปลือเนี่ยมันเค็มเราก็เชื่อสิ่งที่ควรเชื่อมันเข็มเคี้ยงไปนะใครจะให้คะแนนว่ามันหวานเราก็ไม่ยอมน เ, เพราะเราเห็นแล้วนะคนํษ า, ษ า, ษาสอนในพุทธศาสนาสอนง่ายๆสอนให้ปลดของขั้วออกจากตัวเรา ให้เอาของดีไว้สิ่งนั้นคือเอาออกซะมันหนักไม่มีประโยชน์แทงบ่าอีกเสียด้วยแทงใจอีกเสียด้วยเราจะเถียงว่ามันไม่หนักมันไม่แทงใจอย่างนี้พวกเราบอกเราก็ เ, า เ, าเป็นบ้าเดี๋ย <laughs> สิ่งไห้นจะแทงบ่าสิ่งไห้นจะแทงใจสอนให้เอาออกก็ไม่ลำบากนั่นเองบังคับให้แบกรุนไป ไม่ได้ชักชวนให้แบบทานไฟชักชวนให้วางฐานไฟนการปฏิบัติพระพุทธศาสนาไม่เป็นของอยากถ้าเราเถือเถือเป็นของเรียบวิสัยก็พอเราก็พระเรามีทิฏฐิมากเรายังจะเถียงท่านอยู่ถูกไหม <laughs> เราปีนอันไหนเราเถียงท่านอยู่ก็ของ ง, ง่าย ถ้ายังเห็นโทษในโลภในโกรธในหลงการเว้นโทษโกรธโกรหลงมันก็ไม่ละมาถ้าเห็นว่ามันมันพอใช่พอสออยู่มันก็วางไว้ได้ใช่ไหม <laughs> สิ่งใดที่เห็นโทษพอแล้วมันก็ไม่เสียดายอยากจะเอาไว้เว้นไว้แต่สิ่งที่ไม่เห็นโทษพอเช่นเห็นโทษในอบายมุกอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ต้องมีใครมาบังคับบัคามันก็ต้องวางิงเอง มันเห็นคงจักขว่าเป็นดอกบัวเนี่ยมันสําคัญมากเรื่องมือเข้าไปเห็นเจ้าหัวเขาไปผูกเอาเลขถ้ามันเห็นโทษจริงจริงมันว่าเองมันอืมเห็นนั้นพระพุทธศาสนาชี้ถอดจึงสอนให้เห็นโทษเองถ้ามันยกตาเป็นโทษหรือจักเหตุไม่จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุก อัจฉริยตาเป็นผู้รู้จักผนรู้จักว่ามสุขเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกผลแห่งเหตุอันนี้อัจฉริยตาขอเป็นผู้รู้จักตนว่าเราว่าโดยชาติตระกูลยศักสมบัติบริวารความรู้คนทําอย่างตัวนี้ทอนนี้แล้วค ว, วรอพยพตนให้สมควรแก่การที่เป็นอยู่อย่างไรสีมัตจันยุตาเป็นผู้รู้จักให้แสวงหา ค, คืออย่างนี้อย่งชีวิตแต่โดยทางที่ชอบกาลันยุตาเป็นผู้รู้จักรู้จักกาลและเวลาอันสมควรอันประกอบคิดนั้น ประนิสันยุตตาเป็นผู้รู้จักประชุมชนและกิจยาที่ประพฤติออกประชุชนนั้นๆว่ามูนี้นมาเข้าไปหาและต้องทํากิจยาอย่างนี้และจะต้องพูดอย่างนี้เป็นต้นภุก ร, ระโปรปรานยุธาเป็นผู้รู้จักเลือกบุคคลว่าผู้นี้เป็นคนดีคนคบผู้นี้เป็นคนไม่ดีนะคนคบเป็นต้นอันนี้เป็นภูมิธรรมของพระสุปฏิปันโนใช่หรือไม่ ยังจริงจริรัตนางเราโอเควิชาติวิธีทธางบธธุทุกรัตนาพุทธะรัตนานติตัดสมาสูตรที่ภาวันตุเตรัตนะอันใดในโลกนี้จะเส ม, มอเหมือนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นไม่มีเลยอันนี้ภูมิของพระสวัดิวันไม่สงสัยนัตถิเวสรณังมันยังสาะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นสาระอันประเสริฐของข้าพเจ้าเมื่อกล่าวคำช้อนนี้ขอความสวัสดีจงมีแก่เราบานหน้าไปสู่พระิพภานเธออันนี้คําปฏิญญาณของพระสวัสวัน ส่วนไม่ใช่พระสาร า, านพรปทิญญาไม่ได้ปริญญาณก็ปฏิ ญ, ญาาจะปากเฉยเดี๋ยวก็ขบทคืนมองเห็นว่าคำสอนใดๆ ไ, ไม่หนนะึ่งคำสอนพุทธศาสนาเลยจริงจปะปฏิบัติพระพุทธศาสนาไม่ประมาทไม่สงสัยถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ต้องสงสัย เขาพูดอะไรก็ไปกับเขาเลยเขาพูดว่าอันนั้นดีก็ไปเขาพูดว่าอันนี้ก็ดีก็ไปเป็นไม้รอยน้ำเป็นว่าวเชือกขาดปลิวไปตามลม น, น้าพ่อยน้องขอบิ่งบานต่างอะไรลงสู่มหาทมุทรยไมดรู้ตัวชั้นไหน คำสอนอะไรก็อะไรลงสู่คาสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวจากนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกถ้าขบอันนี้แตกแล้วผู้นั้นก็จิตใจดิ่งถึงพระนิพพานอันอัญญตัญญสามีตินทะเรียงคืออินทรีย์อของผู้นั้นก็ตั้งชีวิตพระนิพพานเลยถ้ามีเจตนามุงหมายอย่างนั้นทำไมยังเป็นอย่างนั้น พุทโธไม่ามาเกิดพุทโธไม่พามาแก่พุทโธไม่พามาเก็บพุทโธไว่ามาตายธโมะสงไม้ถึงทำมันไม่เกิดไม่เก่ไม่เก็บไม่ตายสังโกพริบัติเพื่อไม่มาเกิดแก่จะตายส่งต่อถึงพระนิพพานอย่างนั้นผู้ภาวนาณโมก็น้อมถึงพระนิพพานได้นโมไปน้อมน้อมถึงทำมันไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายถึงทำมันไม่รบไม่โกรธไม่หลงก็ส่งต่อพระนิพพานได้ทั้งนั้นได้ สมาอารหังส่งต่อพระเนรพได้เหมือนกันถ้าสมาเทพบิเจ้ารู้ดีรู้ชอบเราเององค์องเองก่อนแล้วพระผู้อื่นให้รู้ทําด้วยสมาอารหังอารหังก็แปลว่าผู้ไม่มีเกิเลติเราจะวรรกรรมอารหังอาระหังอย่อย่างนี้อารหังแปเอาผู้มีเกิเลตเราพ้นจากเกียรตแล้วหรือยังถ้าเราพ้นจาพ้นจากเกีเรตแล้วก็เราก็มีทั้งสมาอารหังบริบูรณ์แล้วมันก็มีสิ่งส่วนตนทั้งนั้นถูกไหม ยู่หนอคองหนอก็ช้ได้เหมือนกันไม่เที่ยงหนอเกิดดับหนอเหมือนกันเดียวกันไม่เที่ยงหนอเกิดดับหนอเห็นความเกิดดับจิตเดียวก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วทะเลกเต็ไมไปด้วยความเกิดดับเป็มไปด้วยอนิจจังเห็นอนิจจังขณะจิตเดียวก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วสรงตอพบพระนิพพานทางนั้นเมื่อเห็นโลกเต็มไปด้วยอนิจจังเกิดดับอยู่แล้ว คนใช้ในโลกทั้งปวงก็ไม่มีอันนี้คืออะไรคือความเกิดดับที่เราไปแล้วอนาคตคือความเกิดดับที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือความเกิดดับที่กําลังเป็นอยู่นะทำเส้นสูงพระบรมศาสน า, ศารถรถทีตีติแปลผู้ย่อยยับไปไม่ให้คะแนนเลยเอา้าใครหาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่พบไม่เห็นเลยก็พระหันต่านั้นสุขของพรหัตถ์ก็มีอยู่สี่อย่าง สุขแก่แต่ความมม่ซับสุขเกิดแต่จ่ายทรัพยบบริโภคสุขเกิดแต่ความไม่เป็นนี้เป็นศินสุขเกิดแต่ทํางานที่ปราศจากโทษถึงอย่างนั้นก็อยู่ใต้อํานาจอนิจังเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหตุนั้นสุขใดในโลกาก็พุทธศาสนาจึงไม่ติดอยู่สุขทุกอุเบกขาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปชิงใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งไม่ดับไม่มีเลย เอ้าพระบระศาสนายืนยันว่าเราลู่สังขารตามเป็นจริงของสังขารเราลู่พันธุ์านตามเป็นจริงของพันธุผานแต่เราไม่ติดอยู่ในสังขารแต่เราไม่ติดอยู่ในพันธุผานถ้าเราติดอยู่ในพันธุผานก็เรียกว่าเราไม่ลู่พันธุผานเรายังมีอุปทานในพันธุผานอยู่เรายังมีเราเขาสัตว์บุคคลในพันธุผานอยู่ เราก็ไม่เห็นพระนิพพานอีกด้วยถ้าเราเห็นสังขารตามเป็นจริงของสังขารเราไม่ยึดถือว่าสังขารเป็นเราเราเป็นสังขารด้วยไม่ยึดถือผู้อื่นเป็นสังขารสังขารเป็นผู้อื่นด้วยพระนิพพานก็โดยอะไรเหตุนั้นวิญญาณมิติสนธิของเราจริงไม่มีธรรมชั้นสูงธรรมชั้นสูงกับสมาธิชั้นสูงกับปัญญาชั้นสูงก็กลมกลืนกันไปในตัวไม่ใช่嘛 อวปัจจุบันไตเสียขาของปัจจุบันไตเสียขาของพระทหารไตเสียขาของพระอนาคามีไตเสียขาของพระโสดาบันต่างกันรวมพลกันในปัจจุบันนั่นคือตัวศีลตัดศีลลงในปัจจุบันนั่นคือตัวสมาธิตั้งมันลงในปัจจุบันนั่นคือตัวปัญญารอบลู่ในกองสังขารตามเป็นจริงอย่างไร ย่นสังขารลงมาในปัจจุบันแล้วย่นศีลลงมาในปัจจุบันแล้วย่นสมาธิลงมาในปัจจุบันแล้วย่นแปดหมื่นสี่พระธรรมกันลงมาในปัจจุบันแล้วต่างคนก็ต่างย่นลงมาฝ่ายสังฆะโหพระสวัสดบาย่นลงมาก็ย่นลงมาตามธรรมะของท่านสัจธรรมมีย่นลงมาก็ย่นมาตามธรรมของมรรของท่านพระอนาคามีก็เหมือนกันพระอรหันก็ย่นลงมาตามฐานันดรศักดิ์ของท่านที่ปัญญาของท่านครบแต่ พระสมานธรรมพระยพยนต์ลงมาตามวิชาจนะสัมปโนขององค์ท่านที่สมภูมิเป็นศาสตร า, าเอกในโลกเหตุนั้นพระพาชยะไม่กล่าวทูลพระบรมศาสตราขอให้องค์พระบรมศาสตราเทศให้เก้าฟังด้วยเออระยะ น, นี้เราบินถวาดอยู่ไม่สมควรเธอจะมาทบ ก, กวน บางทีพระบรมศาสีริาตสิ้นลมปาณเดี๋ยวนี้ก็ได้พระเจ้าข้าบางทีก้าก็เสียสิ้นลมปาณในเวลานี้ก็ได้พระเจ้าข้าเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเนอเป็นตาสักว่ารู้เป็นตาสักว่าเห็นครับพอแล้วเพราะเหตุใดเพาะว่าบา ร, รมีแจก้ามาแล้วเออเป็นดอกบัวบานมาพอได้รับรับมีมากบานออกอย่างเนี้ยพอพระบรมศาสีามองเห็นทราบแล้ว อพอมองเห็นก็ทราบแล้วพระบรมศาลาเอาอเขาจะสำเร็จพระทหารในขณะนี้ท่านมองเนแล้วแต่ท่านถามไปพอเป็นกรนพาไปเฉยๆหรอกเบ้าใครตื่นวะเราไม่ตื่นผู้ใดตื่นสะดุ้งผวาเสียงตุ้มตูมตีมตี ม, ต ม, ตมสติไม่อยู่กับตัวพระบรมศาลามีทาอย่างนี้ สารีบุทอานาปานาสตินี้ท่านผู้ใดเจริญดีแล้วกายและจิตก็ไม่วันไหวเลยพระมหาสาสสรีบททรงสนรรสนุนอานาปานาสติมากกว่าเพื่อนเพราะลมหายใจเข้าออกมีทุกอย่างเลยครับไตสีขา เราพิจารณาดินดินจึงจะมีเราพิจารณาน้าน้าจึงจะมีเราพิจารณาลมลงจึงจะมีไม่ใช่มันมีอยู่ก่อนแล้ว awesome. เราพิจารณามขนยพานวัคขนยพานจึงจะมีไม่ใช่มีอยู่ก่อนแล好好้วแต่เราไม่เอามาพิจารณาเฉยๆเราพิจารณาอนิจจังทุกคั้งอนัตตาอนิจจังทุกครั้งอ น, าตาอ น, นัตานาตาจึงจะมีไม่ใช่มันมีอยู่ก่อนแล้วเหตฉะนั้นจึงว่าเอสทัทโมสนันตโนพระธรรมเป็นของเขา แต่ของเก่าที่ควรเว้นก็มีของเก่าที่ควรเจริญก็มีดื่มสุดาก็เป็นของเก่าไม่ดื่มก็เป็นของเก่าใช่ไหมเล่นเลขก็เป็นของเก่าไมยเล่นเลขก็เป็นของเก่าใช่ไหมอรหันก็เป็นของเก่าผู้ทุชนก็เป็นของเก่าใช่ไหมนรกก็เป็นของเก่าสวรรค์ก็เป็นของเก่าเนื้อผานก็เป็นของเก่าใช่ไหมนั่นทำไมพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะมีคำแซงที เออแต่ฉานเน่ยเป็นทศวรราสี่เป็นทศวรรษารูปเป็นทศวรรเห็นแต่ฉานนี่ยเป็นทศวรรษสี่เลยเพราะชาติข้าพเจ้ากัจฉปะนั้นท่านผลักบันไดไปทําความเพียรศาสนาพระเจ้ากัจฉปะอย่างโลดโผลพอถึงศาสนาพระโครมบาดคาถาเดียวก็พอแล้วครับเป็นทศวรรษวารุปเป็นทศวรรเห็นเออครับพอแล้วคือคื อ, คอมีความหมายยังไง เป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นไมายึดถือผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่ยึดถือผู้อื่นเป็นผู้รู้ผู้เห็นไม่ยึดถือว่าตนเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาทีนี้ไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลแล้วอัตมาทุกประทานก็แตกกระจิยไปนั่นที่นั่นเองเมื่ออัตวาทุกประทานแตกกระจิยไปแล้ว อวิชาตัญหาอุมทานก็แตกไปหมดเชือกที่อข้องคออยู่นี่โซ่ตรวนทีือกข้องคออยู่นี่เขาใส่กุญแจไว้นี่มาไขลักกับออกอย่างนี้นะหรือตัด ป, ปลอกได้ปลอกหนึ่งออกแล้วไปได้เลยไม่ต้องเลี้ยง อวิชาตัญหาอุปทานคำพาพศาสรามณ ะ, ะโสเขไปเซลทุกตมรณ ะ, ะุปายญาตก็ได้ไม่เป็นปัญหาที่ท่านเรียงท่านก็เรียงเพื่อให้สมเกียรติของท่านเฉยเพื่อให้ผู้ฟังเข้าใจชัดทำแต่ะระบาทส่งต่อพระนิพพานหมดเอ้าพระอรมาศาสานสาสันสาตรสารสันมีนายหมด อิทธิบาทคือคนเครื่องให้สําเร็จความประสงค์สี่อย่างหนึ่งชั้นทะพอใจรักใครในกรรมฐานที่ตั้งไว้สองวิทยะเพียอนวัตถประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สามจิตตะเอาใจฝักใฝ่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้สีว่วิมังสาหมันตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้ทุกสี่อย่างนี้เป็นเชือกสี่เกลียวอยู่ในที่เดียวกันแล้วน้อมถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งมีเรือวิสัยนทีนี้ พระคือทําในกำลังห้าอย่างพละพลังแปลว่าทําในกำลังห้าอย่างหรืออินสแตนซิตีห้าก็เรียกเพราะเป็นใหญ่ในกิจตระของตนศรัทธาเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติและเรื่องคอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ปัญญารอบรู้ในกรรมฐานที่ตั้งไว้ตกลงพระไตรปิฎกก็รวมกันอยู่เท่านั้นย้ะว่า พระคือทำกำลังม่ห้าอย่างทำแต่ระบรากส่งต่อพระนิพพานหมดรวมพลกันได้หมดถ้าให้เราตอบนักทําเอกทุกวันนี้เราไม่ตอบเหมือนเขาเราจะตอบไปแบบใหม่พ้าะเราได้มาไปปฏิบัติแล้วผู้ภาวนา พุโทโธพุโทโธนั้นเป็นสมถะหรือวิปัสนาเล่าถ้าตอบในสนามหลวงให้ถูกก็ตอบว่าเป็นสมถะพระผู้ภาวานาพุโทโธพุโทโธถึงอุปจารสมาธิเท่านั้นไม่สามารถถึงอัปนาสมาธิตอบถูกนะให้ให้ตอบย้นอนนี่ไม่ต่อตอบอย่างนั้นผู้ภาวานาพุโทโธพุโทโธนั้นจะว่าเป็นสมถะหรือวิปัสนานั่นก็ไม่เชิงมันก็ขึ้นอยู่กับบารมีของแต่และท่านแต่และบุคคลมีอิสระที่สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วหรือไม่เท่านั้น ถ้าผู้มีบรัรมีแก่ข้ามาแล้วเมื่อบรรยากรรมภาวนาพุโทโธพุธโทโธเห็นว่าจีสังขารเกิดดับตลอดถึงจิตตสังขารเกิดดับอยู่แต่คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เกิดไม่ดับไปไหนเขาเห็นพร้อมกันในคณะเดียวเพราะมียานสัมพยุตเป็นปัจจัยสัมพยุตตปัจจยโยเป็นปัจจัยในคณะเดียวกันเห็นคำบรรยายกรรมเกิดดับเห็นว่าจีสังขารเกิดดับ แต่คุณพระพุทธแต่คุณพุทธโธไม่เกิดไม่ดับไปอะไเป็นอนัตตาคุณใช่ไมมเกิดไม่ดับอย่างนี้จะว่าเขาเป็นสมถะมันก็ไม่ถูกเรียกว่าวิปัสสนาปัญญาสัมพยุทธยกอุทาหรนอีกผู้บริกรรมรโชโยรันงางรัชังธนติลุบไปลุบมาอย่างนี้ทำไมยังแต่ชาแนลพระที่สัมชาษณสี่อเรา มันก็น่าจะเป็นบริกรรมภาวนานี่เองสันใดก็ดีปัญญาไม่อยู่ระดับเดียวกันสมถะอันใดอันใดก็ส่งต่อถึงนิปัสนานิพิถาเวลาคับิมีตนิ ม, ม, ม, ม, มตุทธิทั้งนั้นเราจะพูดลังนี้ยกกษัตริอนอีกภาษาเอโบสถะพระธระะีโยมทีณะคาคิเวศนาโครไปฟังเทศบวรมศาศสร า, าอยู่ที่ ท่าสุกรคาตาพระบรมศาราระ ม, รมุงเทศไปจนถึงลูกเวสนาสัญญาสังขารเวิญญาณเกิดขึ้นแล้วดับไปดุจมันยังหัวฝีไม่เป็นของที่อย่างเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเธออย่ายินดีภาษาดีบุรฟังอยู่ข้างหลังทํางานพัดอยู่นี่เอาพระหารไปกินแล้ว แต่คนนั่นถึงไตสนากมนั่นกันเดียวกันนั่นมันก็ขึ้นอยู่กับวัญญาของแต่ละท่านแต่ละคนอา้าวคำพูดแต่ละอย่างอะไอย่างพูดขึ้นแล้วก็ล่วงไปนึกขึ้นแล้วก็ล่วงไปคืออันนี้จังอันละเอียดเสียงเข้าหูส่งลงถึงใจก็ล่วงไปแล้ว สังขารใดเกิดขึ้นในอดีตสังขารยันดับในอดีตสังขารได้เกิดขึ้นในอนาคตสังขารยันดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารยันดับในปัจจุบันเมจีสังขารก็ดีจิตตะสังขารก็ดีกายยสังขารก็ดีกายสังขารเกิดขึ้นในปัจจุบันกายยะสังขารก็ดับในปัจจุบันลมห้ยใจเข้าออกเนี่ยเห็นอันนี้จังคณะเคล็ดหนึ่งให้เล่าหนึ่งนะอันนี้จังอันละเอียดอันนี้จังอันหยาบเลย ฮั่นระหว่างเกิดดับพั่ได้ว่างไม่ได้เราบัญญายว่าต้นลมก็กลายมาเป็นกลางลมเราบัญญายนว่ากลายกลางลมก็กลายเป็นท้ายลมนั่นเราบัญญายนว่าเป็นเท่านั้นวินาทีมันก็ล่วงให้เราเห็นอย่างฝืนฝ่ายใช่ไหมะครับครับครับครับครนะถูกไหมเราบัญญายว่าเท่านั้นวินาทีเท่านี้วินาทีมันก็ล่วงอย่าให้เราเห็นอย่างฝืนฝ่ายไปเรื่ย เกิดดับ า, าระหว่างไม่ได้ทําฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับผลาหว่างไม่ได้พระพุทธศาสนาสอนให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรู้ทุกคนตามเป็นจริงสักเหตุฉะนั้นจึงยืนยันว่าวิปัสสนาธุระธุระทางปัญญาไม่ใช่ศีลธุระไม่ใช่สมาธิธุระเหตุฉะนั้นจึงรู้ว่าวิปัสสนาธุระธุระทางปัญญาปัญญายักปะธิศติจบุคคลเจ้าปะริศกพระปัญญาปัญญาโลก็ะปาะโต เช่สวาส่างเสริมด้วยปัญญาไม่มผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาศีลไม่คุ้มใช่ไหมผู้ไม่มีปัญญาก็รักษาสมาธิไม่ให้เกิดมีให้มีขึ้มนมาได้ไมใช่ไหมผู้ไม่มีปัญญาก็ไม่รอบรู้ในปัญญาอีกด้วยจะยึดถือปัญญาว่าเป็นเราเราเป็นปัญญามันกม็มาติดตัวทำชั้นสูงอีกใช่ไหมนั่นเอา้ากิเลสนี่มีมากขนาดไหนเช่นพระอนาคามีราคะ โทสะของท่านขาดแล้วไม่มีเลยเอาผู้หญิงกับผู้ชายไปโผล่คอนอนติดกันอยู่ท่านท็ไมมีราคะโทสะอะไรเกิดขึ้นแต่กิเลสของท่านยังมีอยู่เพราะความถือตัวใช่ไหมเพราะความสำคัญตัวความสำคัญตัวก็เป็นกิเลสใช่ไหมนอนเนืองอยู่ในคันทะสันดาลเป็นอนุใย ที่นอนเนืองในคันชาสันดานของพระอนาคามีนี่เกเหตอยู่เหมือนกันเป็นผู้เลิศกว่าเขา สำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาสำคัญถูกแล้วทำไมจึงมีกิตลอยู่เป็นผู้เลิศกว่าเขาก็สำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขามันก็ถูกแล้วทำไมจึงมีกิตเพราะสำคัญตัวเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาก็มีถ่อมตนอยู่แล้วทำไมจึงมีกิตลเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลวกว่าเขา อันนี้ก็ถ่อมตนอยู่แล้วทำไมจึงมีกิเลสนี่นี่สามข้อขอะไรเป็นผู้เสมอเขาใช่ไหมสำคัญตัวเล็กกว่าเขาอันนี้เย่อหยิงอันนี้ก็ควรมีกิเลสสมอยู่เนี่ยเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็ถูกแล้วทําไมจึงมีกิเลสเป็นผู้เสมอเขาสําคัญตัวว่าเลวกว่าเขาเนี่ยเออันนี้ก็ ทอมตัแล้วทําไมจะมีกิเลสทีนี้อา้าเป็นหกข้อแล้วเป็นผู้เลวกว่าเขานี้สำคัญตัวมาเลิดกว่าเขาอเยอะยิองอันนี้ก็สมฐานะที่มีกิเลสเนี่ยเป็นผู้เลิดกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็ทอมตนแล้ว มันไม่ใช่เป็นผู้เร็วกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลิศ ก, กว่าเขาเยอะยิ่งเป็นผู้เลวกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาอ น, นี่ก็เยอะยิ่งเป็นผู้เร็วกว่าเขาสําคัญตัวเร็วกว่าเขาอันนี้สําคัญเสมอกันแล้วทําไมจึงมีกิเลสส่วนพระหัน์ไม่มีเลยมาพิมาพิจาณาอยู่อย่างนี้แล้วพวกเราเกลกับท่านหรือไม่นั <laughs> ่น น, นี่นี่ีแผนที่อะไรนี่เดินทางมันมีแผนที่เดี๋ยวหลงคิตายปฏ <c oughs> ิยัดก็ยัดเข้ามาที่ใจปฏิเวทก็คือผลของใจปฏิบัติก็ปฏิบัติเข้าที่ใจปฏิเวทก็ผลของการปฏิบัติอยู่ที่ใจนี่ว่าเป็นหนึ่งมาเป็นเอกานิบาตถ้าว่าเป็นทุกการิบาตก็กายกับใจถ้าเป็นติว่าเป็นกิรานิบาตก็คือกายไว้ใจใจ ถ้าเป็นว่าเป็นทุกข์การณิบาตก็คือธาตุสีหรืออริยสัจสีสิ่งไหนที่รวมสิ่งไหนที่รวมเป็นสีได้ถ้าว่าเป็นปัญจกาิปัญจการณิบาตก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าย่อลงมาเป็นสองก็รูปขันนามขันรูปขันรูปประธาต์ก็ว่านามธาต์รูปประธาต์รูปปรโลกก็ว่ารูปประขันก็ว่ารูปเป็นสีก็ว่า รูปธรรมก็ว่าเกิดดับเป็นนามทาทานามขันนามโัโรนามาธรรมก็ว่าเกิดดับเป็ น, น, นกรรมฐานในใจโลกธาตุมันก็มีสองกรรมฐานเท่านั้นเพ่งรูปเป็นอารมณ์เรียกรูปกรรมฐานเพ่งอารูปเป็นอารมณ์เรียกอรูปประกรรมฐานรูปกรรมฐานก็ดีอารูปกรรมฐานก็ดีเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่อยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดเลย ที่นี่สึกศึกอนัตตาเข้ามาแล้วเข้ามาโดยชาอ้อมในประเทศของเรามันก็เป็นธรรมดาอยู่เองท่านผู้ใดอยู่ในระดับใดก็ยืนยันระดับนั้นบางมาติก็ว่าพระนิพพานไม่ใช่อนัตตา บางมาติก็ว่าพระเนรพานเป็นอนัตตาเราเข้าข่าพระเนรพานเป็นอนัตตาเอา้าพระเนรพานเป็นพระเนรพานของใครใครไปยึดถือพระเนรพานไว้แต่ผู้เดียวถ้าไม่มีใครไปถือพระเนรพานไว้แต่ผู้เดียวเป็นของกลางอยู่ทาอันไม่เกิดไม่ดับพระเนรพานก็เป็นสัพเพธรรมาอนัตตาตามเดิม ถ้าเพตมาอนัตตาเนี่ยกหมายถึงพระนิพพานด้วยหมายถึงสังขารด้วยใครเป็นเจ้าของสังขารไม่มีใครเป็นเจ้าของสังขารก็มีหน้าที่เป็นสังขารอยู่ตามธรรมชาติสืบโลกอยู่พระนิพพานก็สืบธรรมอันไม่ตายอยู่สังขารก็สืบโลกอันเกิดดับอยู่ทุกุติยาทัศน์สุโแล้วสังขารก็ยังมีอยู่พระนิพพานก็ยังมีอยู่ยมยไม่ได้ห่อไปไหนนะเหตุนั้นจึงว่า พระเนรพลเป็นอนัตตาพ่อไม่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของพ่อไม่มีถ้าหากว่าใครถึงพระนรพนก็ไป ต, ต้องไปขอโอกาสเอากับพระพุทธเจ้าทั้งหลายเสียก่อนข้าพรเจ้าถึงพระเนรพลแล้วขอเอาพระเนรพลบ้างที <c oughs> นี้ไม่ได้ขอเนี่ยไม่ได้ขอก็เป็นทำอันตามธรรมชาติเดียทีนี้ใครเป็นผู้สวยพระเนรพน ก็พระพนรนเท่านั้นเสวยพระเพานไม่เป็นหน้าที่ของสังขารจะไปก้าวไายใครเป็นผู้เสวยสังขารก็สังขารและกิเลสเท่านั้น <c oughs> ไปเสวยกิเลสไปยึดถือเอาสังขารว่าเป็นตนตนเป็นตัวกิเลสไปะยะึดถือเอาพระเนรพลเป็นตนตนเป็นพระเนรพลว่าไอ้กิเลสมันสำคัญมากถูงไว้ไอ้กิเลสคือใครก็คืออุปทานนั่นเองคืออวิชชานั่นเอง เวทชาสี่ไม่รู้ในทุกในไม่รู้ในทุกขาสมุไทยไม่รู้ในทุกคณิโรธไม่รู้ในทุกคณิโรทศก า, าม่มีปฏิปทาไม่รู้ในอดีตไม่รู้ในอนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอ น, นาคตไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทมันก็กิเลสเท่านั้นไปเทียววุ่นวายอยู่เนี่ย พระเนรก็เป็นจริงอยู่ตามพระเนรพลสังขารก็เป็นจริงอยู่ตามสังขารดินก็เป็นจริงอยู่ตามดินน้ำก็เป็นจริงอยู่จริงเป็นจริงอยู่ตามน้ำก็มีแต่อายคดิษฐ์เป็นหัวหน้าไปไสหันคว้าหันกำลังหันอยู่นั่นหลวงพ่อสติปัญญาไม่เหนือคดิษฐ์ก็ข้ามกิษฐ์ไม่ได้เราแต่ละท่านละคนก็เหมือนกันถ้าสติปัญญาของเราไม่เหนือกดิษฐ์เ ร, เราก็ไสหัน um? คว้าห <laughs> <laughs> ันกิษฐ์มันบอกวิ่งก็วิ่งคดิษฐ์นั่งก็นั่งมันบอกนอนก็นอนยืนเดินนั่งนอนรับตื่น มันเป็นเจ้าขี้เจ้าการหมดถ้าหากว่ามีจฉกิเห็นธรรมพระบรมสาราเป็นหลักแกนอยู่แล้วมันก็ไม่สามารถพระบรมสาราสอนให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลึฟันตามเป็นจริงที่สอนเราให้หนายตานายหูใจนายจมูกนายดิ้นนายกายนายใจนั้นไม่ใช่ว่าจะให้ควักตาทิ้งไม่ใช่ว่าจะให้ตัดหูทิ้ง ไม่ใช่ว่าจะให้ตัดจมูกทิ้งไม่ใช่ว่าจะให้ทำลายกายให้ไปผูกคอตายซะมาเนี่ยว่าไม่ใช่ว่าจะให้ทำลายใจทำลายแต่ใจมันหลงทำไมจึงอาบน้ำเพราะร่างกายจกปกปกักรบกพอวันเทาว่าถึงอย่างนั้นก็ายังจักร ก, กอยู่อยู่ข้างในคเข้าไปร่างให้อ่จงพิจารณากายตามเป็นจริงของกายจงพิจารณาใจตามเป็นจริงของใจ น่าไปพ่ไปขี้จงไปพูดู้จับตาหูจับมืเล่นกายใส่น่ไปยึดถือไหมที่ยะถือสิ่งใดใในรลกด้วยอดีตร่วงไปแล้วอนาคตร่วงไปแล้วอนาคตยังไม่มาถึงปัจจุบันยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออะไรคือสังขารในกองทุกข์พระนิพานเป็นอดีตอนาคตไหมพระพระนิพานอยู่ฟากอดีตอนาคตปัจจุบันเลย คำที่สมมุติเราปัจจุบันก็หมายความว่าจะให้เดินทางถูกไปหาพระเนพานี่เถิดไอ้ที่แท้พระเนพานั่นไม่ไเป็นคีย์ค่าปัจจุบันไม่ได้เป็นคีย์ค่าอดีตไม่ได้เป็นคีย์ค่าอนาคตจะมาสร้ า, หารองหันขวาหาันด้วยถูกไหม <c oughs> รูปพระเนพานตามไปเจริงของพระเนพานรูปสังขารตามไปเจริงของสังขารรูปส ม, มุติตามไปเจริงของสมมุติ รูมุตตามเปเจียงของสมุดเวมุมมดข้าพเจ้าไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งหลายพระบรมศาสล า, ศาเหตุนั้นวิญญาณปฏิสนธิของเราจึงไม่มีวิญญาณดับไปก่อนนามรูปก็ดับไปณนะที่นั่นเองพระบรมศาสล า, ศานั้ น, น, น, น, น ของทีความอยู่หงายให้ดูไอ้จี่แท้ของทั้งหลายมันหงายอยู่ที่เราเข้าใจว่ามันคว่ำไ ม, ม่ได้ความหรอกเช่นเกิดอย่างนี้มันก็เกิดหงายอยู่ใช่ไหมแก่อย่างนี้มันก็เกงยแต่หงายอยู่ไม่มีอะไรมาปิดบังใช่ไหมเก็บอย่างนี้ก็เก็บหงายอยู่ตายอย่างนี้ก็ตายหงายอยู่ไมอ่อะไรมีปิดบังแต่ เ, เราโง่เราก็หาว่ามันมันปิดเราใช่ไหม <laughs> ทานอาหารเข้าไปก็ถ่ายออกมาให้เห็นอยู่ไม่มีที่ปิดบังเลยนัตถีโลเกแล้วหัวหนา้าความรักไม่มีในโลกเรานึกอะไรเราก็รู้จักอยู่ปิดบังที่ไหนเราเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็รู้จักอยู่มันปิดบังที่ไหนนัตถีโลเกแล้วหัวหน้ความรักไม่มีในโลกใจบัญหยัดเป็นโลกไหมหยัดเป็นโลกเหมือนกันเพราะพระอรหันต์ไม่ได้เอาใจไปพระนิพพานด้วย พระนิพพานอดอยากอะไรจึงจะเอาใจไปด้วยพระนิพพานไม่ได้อดไม่อยากไม่ได้เอาใจไปด้วยถ้าถึงพระนิพพานแล้วก็บัญญัติว่าทําอันไม่ตายไม่เป็นหน้าที่จะบัญญัติว่าใจแกจะตายได้จะมาบัญญัติว่าคุณหูมันจถูกไหมบัญญัติว่าทําอันไม่ตายถ้ามันไม่เกิดไม่ดับเท่านั้นไม่เป็นหน้าที่จะบัญญัติใจไม่มีเก้าอี้อีกด้วย อันนี้เก้าอี้สารีบุตรอันนี้ที่นั่งภาษารีบุตรอันนี้ที่นอนภาษาริบุตรอนุปาทิเสติพานไม่มีความหมายไม่มีความหมายในไม่มีสถานที่จะเอาดินน้ำไฟลมไปเปรียบเทียบกับอนุปาทิเสติพานไม่ได้จะเอาปทมาชาตุติยาชาตติยาชาตจตุตชาชานอาการสาัญชากันะ วิญญาอาจินจัญญายัตนะเนวัสัญญาลาสัญ ญ, ญายะจะเอานิ้รถสมาบัตไปเทียบพระนิพพานก็ไม่ถูกพวกเหล่านี้เป็นพวกที่พักแรมชั่วคราวเฉยเหมือนเรามาที่เราพักเนี่ยอยากแข่งอยากขาเนี่ยไม่ใช่พระนิพพานเนี่ยผู้ใดเห็นอันนี้จังหนูไม่มีทางวันกลางคืน ผู้นั้นจะข้ามทะเลหลงสุทาวาสชาตอวิหะชาตินัตตาจุตัสสาจุตัสสีภาวนาอยู่ไม่มีกลงวันกลานไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงบางองค์ก็พิจารณาทกๆบางองค์ก็พิจารณาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพองะอารมณ์ให้ใจเข้าออกนี่พวกเรามาแล้มีอ่อนก็นั่งแล้วก็ไปเห็นรูปอันนั้นนี่เอามาอวด ก, กันแล้วก็กินขนมกันไหมเพอ พระบารมียังอ่อนพวกเราใช่ไหมใครนั่งไั่เทานั้นใครนั่งไั่เท่านี่ก็มาอวดกันกินขนมใช่ไหมพวกเราเพราะบารมีอ่อนใช่ไหมแต่กบมันก็นั่งอยู่นานแล้วมันได้ออกมันก็ยังไม่เป็นอาหารกบใช่ไหม <c oughs> เอาแล้วหรือยังเอาแล้วนะขอสุควรนะเคยภาวนาะอะไรก็เคยกับภาวนาอนะันนั่นแหะ อันนี้พูดสูงลงมาห้าต่ำํำพูดต่ําลงมาห้าสูงถ้ามาอย่างนั้นก็ไม่รู้จักว่าภูนี่สูงขนาดไหนไม่รู้จักว่าคําสอนพุทธศาสนาสูงขนาดไหนเราปัฏิบัติพุทธศาสนาะฝนตั้งเป็นเข็มก็ถือว่าเป็นของเล็กน้อยใช่ไหมสันติทิโกของพระตถาคตก็เป็นเอกเทศแปลว่าเห็นเองเป็นเอกเทศในเบื้องต้น เห็นเองนะคาคาค า, ม, า, ม, า, ามีอาานาคามีอนันต์อนันต์เห็นเองจบแล้วสันทิทิโกไม่มีโรคไม่ีโกรธไม่มีห ล, ลงเลยนองเรียกให้ตนมาดูได้เอหิปัชิโกมาดูเธอแต่ก่อนเรามีกิเลสอยู่เยอะนี่เราไม่มีแล้ว <c oughs> เรียกตนเองมาดูพระหันเอหิปัชิโกขอพระหันพระหันเรียนเองอหิปัชิโกจบแล้ว แต่เราเรียนเอฮิเอฮิปฏิกโกะบอกว่ามาดูเถิดเรากําลังปฏิบัติเพื่อบรรทุกเราก็เรียกเร า, าว่าดูได้ <laughs> <g ül> พระพุทธศาสนาเป็นาศาสนาเลอดโลกดูทุกยุคทุกสมัยใครจะให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนนก็ไม่เป็นปัญหา <g ül> พระพุทธศาสนาไม่ได้ตั้งขึ้นเพื่ออารมีให้ผู้ให้คะแนน ไม่ตั้งไม้เพื่อจะให้ใครดูถูกเรียนทาเขาดูถูกเรียนทางหรือให้เขาให้คะแนนก็เป็นเรื่องของเขาแต่พุทธศาสนาไม่ได้เอามาเป็นอุปสรรคเลยเพราะเข้าใจว่าเป็นของจริงเหนือโลกแล้ว huh. ผ uh ู้ใดจะให้คะแนนหรือไม่ให้คะแนนก็เป็นเรื่องของผื่นผู้ใดจะบุบก็เป็นเรื่องของผื่นแต่พระพุทธศาสนาหาได้วันไหวในเรื่องผู้ให้คะแนนและไม่ให้คะแนนไม่นั่นพุทธศาสนาจริงเป็นอย่างนั้น พระเนปานจะให้คะแนนว่าท่านนี้แหละเป็นพระเนปานหรือไม่ให eh? ้ก็ตามพระเนพานก็ไม่หวาดเสียวสังขารก็เหมือนกันท่านนี้เน so ี่ยเป็นผู้เกิดดับระยำจริงๆริงท่านนี่แหละเป็นผู้เกิดไม่รับสังขารก็ไม่ได้ว่าแต่พระบรมศาสดาสอนให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงลดคนตามเป็นจริงเชื่อถือพระบรมศาสดาสอนจำทาจริงๆ ถ้าพุทธศาสนายังอยู่อย่างยืนยงท่งอยู่ที่หัวใจชาวพุทธก็อยู่ได้ถ้าพุทธศาสนาเพี่น้าลงจากหัวใจแล้วชาวพุทธจะอยู่ได้หรือแล้วก็เหมือนวัดมั่วไอ้สุดที่สกุลปุกพุทธผู้ใดดานผู้ผู้ใดลูกเล่าพุทธทำสงออกจากเจรใจผลของกรรมอันไม่เป็นธรรมก่อบานหน้าไปสู่ความชิบหายอยู่ชั่วการนาน พระพุทธศาสนาไม่มีอยู่แน่ใจกดใดๆของชาวโลกก็ตัองมาอยู่บูทของทำไม่นำคำหนึง่งก็หมดที่เพิ่งพิงเองอาศัยชาวไตรโรกายาประมาทพระพุทธศาสนาเถืนจงขบพระพุทธศาสนาให้แตกเถินจะได้ไม่สงสัยพระพุทธศาสนาเลยเมื่อไม่สงสัยพระพุทธศาสนาแล้วการปฏิบัติพระพุทธศาสนาก็ไม่เป็นของยาก จะคล้องอยากทำไมของหนักอยู่ในบาท่านบอกให้เราทิ้งลงไม่ใช่ให้บอกให้อแบกอีก <laughs> ท่านบอกให้ทิ้งลงของหนักนี่ไม่รู้จักอมอกันเยไืไม่ใช่บอกให้ไปหาทางทุกแต่เรายัางฝืนระหาทางทุกให้ปล่อยทุก